เราเริ่มใหม่กันเนี่ยสมมติว่าอาตมาให้โยมทําอะไรทุกอย่างเลยนะสมมติว่าอาตมาบอกว่าให้โยมเห็นอันนี้อถ้าตอนนี้นะเราบอกว่าเอาโยมดูสิตอนเนี้ยโยมคิดอะไรบ้างตอนเนี้นะอ่ะพอเราพูดเสร็จแล้วเนี่ยเราบอกเอาโยมดูที่ว่าโยมคิดอะไรบ้าง เนี่ยเราพูดเสร็จแล้วตรงประโยคอย่างเนี้ยพอเราบอกว่าโยมดูที่ว่าโยมคิดอะไรบ้างเนี่ยสติถ้ามันไม่เร็วพอเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยเราอ่ะมีตัวเราไปดูไปหาไปหาว่ามันคิดอะไรบ้างคือไอไอต้นจิตไอตัวที่การกระทําเนี่ยคือพอเราสั่งปั๊บเอาเยอมดูที่มันคิดอะไรบ้างเนี่ยโยมก็เริ่มมีตัวตนขึ้นมาทันทีคือเป็นผู้ผู้ดูผู้หา ถูกไหมล่ะอ่าทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูผู้หาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าสมมุติเราหาสักสองสามวินาทีเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าไม่เจอไม่เห็นคิดอะไรเลยไอต้ตรงนั้นอ่ะเป็นมันก็พลาดไปแล้วไงเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเราที่เป็นผู้หาแต่เราจะไปให้ตัวเราเนี่ยไปเห็นว่ามันคิดอะไรบ้างเออเพราะนั้นอ่ะคําว่าดูตัวเราเนี่ยคือตัวที่มันมันเคลื่อนมันไหวคือมันมีตัวมีตนที่จะไปหากับอะไรบางสิ่งบางอย่างอืม ทีนี้ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยว่าอ้าวมีตัวเราไปหาแลแล้วก็วางตัวเราแล้วแล้วมันก็จบไปก็จบอย่างจบแบบว่างๆไปอย่างนั้นแหละแล้วตอนหลังอีกมันก็จะมีตัวเราเป็นผู้อยากมีอยากได้อีกแล้วก็เห็นตัวเราอีกแล<อ>้วเอเนี่ยถ้าเราไม่ชี้ตรงนี้โยมหาตายเลยอย่ะว่ามันคิดอะไรได้ปล่าละ่ะ<อ>แต่โยมไม่เห็นตัวเองที่เป็นผู้หาเนี่ยอืม๋อ หนูหนที่ที่เราไปหาราว่านูไเห็นตัวเองว่าจะปฏิบัติยังไงนี่คือตัวเออจะตัวที่เข้าไปคิดแล้วใช่ไงคือตัวหนูเต็มที่เลยใช่ไอ้ตัวจะปฏิบัติยังไงคือเราไม่เห็นในตัวนี้แล้วก็หาวิธีไปเรื่อยอ่ะอเออทีนี้ต้นของมัาต้นจิตเออต้นในตัวเนี่ยตัวอวิชชาตัวที่เราไม่เห็นมันอ๋ค่ะทีนี้เวลายมปฏิบัติเนี่ยยอมไป ไปสังเกตทีละอย่าง่ะทีละเรื่องอ่ะอย่าจะไปอย่าไปนั้นมันมากไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันจะตามไม่ทันอ่ะเอเนี่ยอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีไงเพราะว่าตัวอย่างที่ดีพอเราบอกว่าเอาโยมดูที่ตอนนี้มันคิดอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีตัวโยมเลยอะคือมันไปเอาขันห้ามายึดแล้วก็เป็นตัวเราแล้วตัวเราก็ไปดูความคิดมันไม่เห็นตัวเราอื พลาดเลยทีนี้โยมหามาส่วนแราโยมหามาสามนาทีนะโยมบอกแล้วก็นั่งท่องในใจอยู่ว่าไม่เห็นมันคิด้ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวจะบอกอาจารย์ยังไงเนะี่ยยังไม่เห็นความคิดเลยนี่ยังไม่เห็นตัวเองที่มันกําลังคิดเลยอะ่ะนี่เนี่ยตรงเนี้มันแบบอ <c oughs> คือมันตัวเองอะ่ะต้งพูดต้องบน่นต้งคิดทั้งโวยวายว่าเนี่ยยังหาไม่เจอเลยแล้วจะบอกอาจารย์ยังไงยังไงมันเยอะแยะไปหมด มันก็ไม่เจอจริงๆเอหาไม่เจอหรอกเพราะมันเอาตัวเราไปหาเด้ <c ười> อ๋อมันมันก็เลยไม่ได้ดูตัวเรามันบังเออตัวเราไปบังตัวเราไปหาทีนี้พยมเข้าใจตรงเนี้พยองดูสิเวลายมเออหมายถึงว่าพยมบอกว่าทําไมเราตอนเนี้เราทําไมเราอสุณะเดี๋ยวนะอยโยมันก็ถามขึ้นมาว่าทําไมเราไม่เข้าใจธรรมะเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหม ตอนนั้นน่ะจิตเนี่ยมันจะมันต้องการที่จะให้เข้าใจแต่มันไม่เห็นตัวเองไงเป็นผู้อยากไงทีนี้ถ้าเห็นตัวเราผู้อยากแล้วก็วางผู้อยากเสียมันก็จบใช่ไหมละ่ะไปะเขาเรียกว่าเจอตอเห็นถูกตัวแล้วก็วางมัน <laughs> มันเออมันไปปลายจิ ต, ตทุกทีมันไม่ได้เห็นต้นจิตไงต้นจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้หาเนี่ยต้นจิตอ <laughs> <laughs> วันนั้นะเราคิดอุบายนี้ขึ้นมาไงเราบอกอยโยมไม่เห็นตัวเองเดี๋ยวจะหลอกล่อให้เห็นอะไรสักอย่างให้ไปหาให้ไปหา oh. <laughs> คือเหมือนกับว่าใช้อุบายว่าเอาโยมลองไปหา น, นี่ทีนี่อันนี้อยู่ไหนอืมแล้วก็โยมก็จะหาใช่ไหมแต่โยมไม่เห็นตัวเองเนี่ยที่กําลังเป็นผู้หาไม่เห็นเลยอ่ะเพราะว่ามันมันมันเอาตัวเองไปหามันก็เลยตัวเองก็มองไม่เห็นไงมันบงังไย นั่นจุดใต้ ต, ตําตอจริงๆเลยไอ้ของอยู่ใกล้ไม่เห็นจะจะไปหาไอ้ของที่ไม่รู้อยู่ไหนถ้าอย่างเขาเมื่อเมื่อเห็นตัวเองแล้วมันก็เลยหวาดวางตัวเองเลยแต <c oughs> ใ่ใช่ใช่ใชแล้วมันตัดมันจบเลยอ่ะมันจบเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรเป็นที่เหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นขันเป็นสิ่งเกิดดับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็เห็นหมดเลยในเนี้ย พอเห็นหมดเสร็จแล้วมันก็แจ้งดิเห็นแล้วก็แจ้งก็แจ้งเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ให้ไปหาสิ่งไหนเให้เห็นสังขารสังขารที่มีเฉพาะหน้าปัจจุบันที่กําลังปรากฏเนี่ยเองด้วยเองก็ไั่นแหลไอ้ตรนไหนที่มันเข้าใจไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนนะทีนี้ยมาเล่นไหนพวกนี้แหละเล่นที่มันไอ้ต้นจิตนี่แหละที่มันเป็น ตัวเพิ่งเกิดอนะ่ะเพิ่งอะไรนะเขาเรียกว่ามันออะไรวะก็เรียกว่าตัวเราเนี่ยไม่รู้นะเรามันก็เป็นตัวเราอ่ะนะตัวเราหาตัวเราไม่เข้าใจตัวเราจะเอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอานั่นเรานี่แล้วมันหลงก็จะเอาให้ได้แต่มันไม่รู้ผู้จะเอาด้ ว, ว่าใครละจะเอาอ่ะใครละจะเอาอืม <laughs> วันนี้วันนี้ มันหลงสงขานมันหลงความหมายมามึ้นมาเนาะเนี่ยวันนี้โพสได้นั่นไปแล้วนี่นที่เราบอกคอพอดีมันมีโย ม, มสง่สงส่ง ไ, ไ, ไ, ไอ้ไอ้การธรรมะเนาะขอพรขอพรอจากาหลวงพอ่อหลวงปู่ขอให้ประสบอย่างนั้นช่วงปีใหม่เ น, ะเนาะไอคนพวกเนี้ถ้าไม่เรียนธรรมะขั้นสติปัญญาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันมีผู้ขออยู่ใช่มล่ะจะเอาจะเอาแต่ผู้ขอคือใครขอล่ะ ถ้าไม่ใช่ตัวเองขอเพราะนั้นผู้ขอนั่นแหละคือตัวเองอแล้วก็เมื่อเห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็ปล่อยวางแค่เพราะมันเป็นขันทั้งห้าผู้ขอเนี่ยขันทั้งห้าเมื่อวางขันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะได้และไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมนี่ไงก็เลยที่สุดแห่งทุกก็คือว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมันก็นิพพานเลยดีกว่าได้มาอีกอ่ะไอ้ได้ก็คือตัวเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยรู้จักผู้ขอมันเป็นสังหารเลยไม่มีตัวเรา อ่าได้ก็ไม่ได้เสียก็ไม่เสียโอ้โหวางเป่าเลยไม่รู้อ่านไม่รู้อ่านตรงนี้แล้วยังสอดีดูไม่ได้ใชวายฟายมาตงแต่ต้เไ่ด้ดูนั่นน่ค่ะก็นี่ไงบางคนเนี่ยจริงนะขอจริงๆเลยขอขอให้มีความสุขขอให้ยายได้มีทุกข์มันไม่เห็นตัวเองผู้ขอจะเอาน่ะเนี่ยมันบังหมดเลยอ่ะเออแค่น เมื่อเห็นตัวเองออตัวเองผููต่อมาเลยเนาะตัวเองผูง้ขออ่าพู้ขอผู้ขอใครขอลองดูที่ใครขอมีเราคนเดียวอ่าแล้วเราคือใครอ่ะเราก็คือเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละแล้วก็พอเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เอา้ามันเป็นสิ่งถูกเห็นไปใช่ไหมล่ ะ, อะพอเป็นสิ่งถูกเห็นเสร็จมันก็ไม่ยืดผ่านดับประสนิทเออก็หมดเลยในขณะจิตนั้นอ่ะก็เลยว่างเปล่า จากความหมายแห่งความเป็นตัวตนว่างเปล่าว่างเปล่าก็คือนั่นแหละเป็นความที่สุดแห่งทุกข์คือไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอืมงั้นน่ยขออะไรก็ขอแต่รู้ทันรู้ทันรู้ทันว่าเอามีตัวเราผู้ขออีกแล้ว <c oughs> มีตัวเราเอามีตัวเราสงสัยอีกแล้วมีตัวเราเป็นผู้อยากถามอีกแล้วเอ้มีตัวเราเป็นผู้รู้อีกแล้วรู้นั่นรู้นี่เนี่ยเห็นแต่ตัวเราเนี่ยอพอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันจะรู้ทันพอรู้ทันเสร็จ จะถามอะไรใครวะพอจะถามปับ๊บเอามีตัวเราจะถามอีกแล้วเว้ย่นะก็รู้ทันก็ไม่มีตัวเราพอไม่มีตัวเรามันไม่มีผู้ถามพออยู่อย่างหน่อยสงสัยสงสัยจะถามอีกแล้วเออพบตัวเราเนี่ยถ้ามันซ้ำๆอย่างเนี้ยมันก็จะพบตัวเราอยู่เรื่อยผู้ถามผู้ถามเนี่ยผู้ถามเน <laughs> ี่ยผู้โทรผู้โทรเนี่ยผู้โทรผู้โทรใครโทรอ่ะผู้ถามผู้ถามใครอ่ะผู้จะเล่าเรื่องใครอ่ะผู้จําได้ใครอ่ะเราทั้งนั้นเลยเนี่ย เราทั้งนั้นอ๋ออเนี่ยใครอะอ๋ออ๋อใครเนี่ยองต่อบพี่อ๋ออ๋อใครเราทั้งนั้นเอไม่ใช่เราเออฮะพอว่าอ๋อทีหนึ่งให้นึกได้ทีนึงว่าเอาอ๋อนี่ใครวะก็เราอีกก็เห็นตัวเราใช่ไหมอ๋อเอ๋อเห็นตัวเราอีกแล้วพอวอ๋อทีนึงเอาเห็นตัวเราอีกแล้วเนี่ยมันซ้าๆแบบเนี่ยมันจะทําให้เห็นตัวเราแบบทุกคําพูดทุกคิดทุกอะไรเรื่อยๆเนี่ย เออเนี่ยพออ๋อใครอ๋ออตัวเราใช่ไหมล่ะอ๋อเออพออ๋อเนี่ยก็เรียกว่ากําลังพูดกําลังคิดก็ใครพูดใครคิดใครอ๋อแล้วก็ให้มีความหมายว่าเราทั้งตัวอ่าผู้อ๋อแหละผู้อ๋อผู้อ๋อถ้ามันไม่อ๋อก็มันไม่มีผู้อ๋อใช่ไหมพอมีอ๋อก็อ่าเนี่ยเนี่ยเอาทีละอย่างทีละอย่างเนี่ย การพรับแสดงว่าเราต้องยอ้อนว่าอะไรเกิดมาขึ้นมาที่ขาดต้องยอ้อนว่าเมื่กอก่อนน่ะหลงว่าเป็นตัวเราผู้ไปวิธว่าเป็นเราจริงๆแต่ทีเนี้ยมาดูจริงๆตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูแล้ว<ช>มันไม่ใช่เราเป็นเป็นอาการของของธรามชาติที่เปิเใช่เป็นแค่สิ่ง<อ>ปรากฏเออเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏถ้าพระพุทธเจ้าคําว่าเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอ่เยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่นี่ภาษาที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราก็ดีเป็นอรูปเวทนาสัญญาเนี่ยมันเป็นบัญญัติสัญญัติที่เจาะจงลงไปอแต่ถ้าให้เห็นว่าเอาจะเรียกอะไรก็ได้แต่ว่าเห็นกันแล้ว ก, กันหลยว่ามันมีอยู่มันมีอยู่นไพออ๋อขึ้นมาอะไรมีอยู่ก็ตัวเรามีอยู่เนี่ยเห็นได้รู้ได้เนี่อรู้ได้เนี่เอเห็นไหมว่าผู้อ๋อเนี่ยมีอยู่อ๋อเมันเนี้มันก็เห็นเลย ก็แค่นั้นแหละอืเห็นาาก็จักไปเห็นไปแล้วก็คุยไปคุยไปแล้วก็ต่อมาถ้ามันอ๋อซ้าอีกไงก็อ่ามีอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คุยไปคุยไป่างเงี้ยอ๋อพออ๋อเสร็จมันสติมันเกิดดิเพราะมันจําได้เลยนี่พออ๋อหมายถึงใครใช่ไหมอือค่ะเนี่ย ท, ทําดีละอย่างแบบนี้มันก็ชํานานเองแหละแล้วก็พออ๋อเสร็จแล้วเสร็จเอาพอพอมันสงสัยสงสัยเสร็จแล้วก็อยากถาม อ่าขครอยากถามอีกก็เห็นอีกอคือเห็นเป็นช่วงเป็นช่วงอะนะไม่ใช่ว่าต้องให้ต่อติดถ้าต่อติดเนี่ยเดี๋ยวมันก็เครียดคือแบบผ่านผ่านไปไม่รู้ก็แล้วไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งบางทีมันก็จะรู้ก็เลยเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองอ่ะเนะี่เออไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าตามจี้ตามติดเกินแล้วมันก็บังหมดอ่ะทีเนี้ยอเอาเป็นช่วงเออเอาเป็นช่วงช่วงะมันผ่านไปก่อนแล้วก็มาสังเกตอีกทีหนึ่งว่า ใครเป็นคนคุยใครเป็นคนถามใครเป็นคนไม่เข้าใจใครเป็นคนเข้าใจใครอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ลงบนตัวเราทั้งนั้นเลยลงบนตัวเราชําเรื่องชํ <c oughs> าเรื่องดูอ่อาศัยดูดนดูข้อสรุปหลักนะคะ <c oughs> คืออะไรที่ปรากฏ น, นะคะเมื่อก่อนจะเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเราแต่ทีเนี้ยท่อาจารย์สอนให้ว่ามาดูซิดูจริงจริงซิมันมีตัวเราไหม แต่ดูแล้วตามความหลักคือมั น, นมันไม่มีตัวเราทีนี้อะไรก็ไม่ยึดคปรากฏเลยต้องย้อนกลับมาดูว่ามันเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเฉยแต่มันมีธรรมชาติที่รู้แต่เมื่อก่อนมันไม่รู้มันก็เลยหลงยึดว่าเราเป็น <c oughs> เป็นผู้ผู้เป็นเมนเนตอะหมาย<อ>ถึงผู้จัดการทุกอย่างเลยออคิดว่าเป็นเราจริงๆมันเลยทูกตรงเนี้ยค่ะอืนั่นแหละที่มันยึดตัวเพราะมันไม่เห็นนะถ้าพูดอีกจำนวนหนึ่งนะเพราะไม่เห็น ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้คือมันไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นก็เหมือนกับเหมือนกับนี่ไงที่บอกว่าดูที่ว่ามันคิดอะไรไหมอ่ะคือมันไม่เห็นผู้ผู้ดูผู้ที่จะหาไม่เห็นไงใช่ไหมล่ะเออมันไม่เห็นแต่ถ้ามันเห็นว่าเอ้าเฮ้ยตัวเราไปหาก็ก็จะเห็นว่ามันมี มีมีสิ่งหนึ่งคือมีขันทั้งห้าหรือว่ามันมีผู้หากันแล้วกันแหละแต่กลายเป็นว่าผู้หาเนี่ยพบแล้วถูกพบไปถูกเห็นไปเออแต่ถ้าไม่พบผู้เห็นเ อ, อ้ยถ้าไม่พบผู้หาเนี่ยเท่ากับว่าเขาหาต่อไปใช่ปะ่ะพอหาต่อไปเสร็จเนี่ยมันก็จะยึดเลยแหละ ว, ว่าคือมันไม่เห็นไงก็เลยกลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้หาโดยอัตโนมัติเลยมีตัวตนขึ้นมาแล้วพอพบปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกพบแล้วแต่ก็มันไม่รู้อีกว่า ผู้พบอะคือขันทั้งห้านั่นแหละก็ไปยึดว่าเราเป็นผู้พบไงเออเพราะมันไม่เห็นเออมันต้องเห็นต้องเห็นหลวงพ่อกำเขียนก็บอกว่าต้องเห็นต้องเห็นถ้าไม่เห็นเนี่ยมันพ้นทุกข์ไม่ได้มันพ้นไม่ได้ไม่เห็นถ้าไม่เห็นงูงูก็กัดถ้าเห็นงูมันก็พ้นอะไรเนี่ยเพราะนั้นเห็นขันห้ามันก็พ้นเห็นทุกข์มันก็พ้นเห็นสุขมันก็พ้นเออมันพ้นหมดอะต้องเห็นเห็นต้นตอว่านิดก็เป็นตัวเราเนี่ย มันมันก็เลยมันก็เลยหยุดออกมากนะท่าอาจารย์แต่แต่ถ้าแต่ถ้าอาจารย์ไม่ซื้อนะซื้อจริงจริมันใช่ตัวเราไหะค่ะเมื่อก่อนที่ตัวเราจเต็มเนี้ยค่ะใช่ใชค่ะทีนี้อเออมันมีนะไอ้ตัวเนี่ยอ่าไอ้ตัวเนี่ยนะมันก็มีตัวนะสมมติว่าจะเออถึงแม้ว่าเห็นเนี่ยมันก็เห็นเห็นว่าสิ่งนั้นมีเป็นตัวก็ได้เป็นก้อนก็ได้เป็นอะไรก็ได้สิ่งนั้นมีก็หมายกับว่า ไอ้สิ่งนั้นแหละมีจะเรียกว่าเป็นก้อนก็ได้เป็นแท่งก็ได้เป็นตัวก็ได้แต่ความเข้าใจผิดที่จะยึดว่าเป็นเราเนี่ยมันมันไม่มีเพราะว่ามันเห็นว่าเป็นแค่สิ่งใดที่มันอยู่นอกนอกอะมันนอกออกไปอะ่ะเออมันนอกจะเรียกว่านอกนอกนอกใจก็ได้นอกใจรู้อ่นะคือใจรู้มันก็อีกอันนึ่งจะอธิบายแล้วก็งงอีกคือมันเหมือนกับว่าอาตะมาเห็นโยมอย่างเนี้ย อ่าอัตมาเห็นโยมเนี่ยคือมันขาดจากกันไงเพราะมันถูกเห็นมันขาดมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอะแต่ถ้าไม่เห็นอะถ้าสมมติว่าอัตมาเห็นแต่โยมแต่อัตมาไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือว่ามีอัตมาไปเห็นโยมคือคือมันเพราะมันไม่เห็นตัวเองไงเดี๋ยวอธิบายยังไง <c oughs> แต่ถ้าเห็นตัวเองอ่ะมันคือเหมือนที่เราบอกอ่ะแหละพอเห็นตัวโยมใช่ไหมอ่ะมันขาดอยู่แล้วแหละขาดจากอาตมาแต่ตอนนี้พอเห็นตัวอาตมาบ้างมันก็ขาดออกจากใจไงเพราะใจเป็นผู้เห็นน่ะเออมันขาดคือมันมันไม่ติดอ่ะมันไม่ติดอ่ะเพราะมันมันเห็นไงแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยมันติดเลยอ่ะเออติดตัวเองคือยึดตัวเองแต่ถ้าเห็นมันขาดเห็นมันขาดเนี่ยวิธีเห็นไม้ขาดก็หัดเอาตัวเราไปเห็นอย่างอื่นก็ง่ายดีมันก็ขาดแล้ว แต่พอกลับมาเห็นตัวเราอ๋อตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันแล้วก็ขาดอีกขาดขาดก็คือมันไม่ติดกันมันขาดจากความหมายความเข้าใจอันนั้นเออใช่ขาดมันมีความหมายนะขาดจากความหลงขาดจากการยึดขาดจากคือมันเหมือนกับว่ามันมีปัญญาแยกไงแยกว่ามันเป็น มันเป็นอีกลิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งขาดหได